ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้นำเอาชาดกคือทศรสชาดกมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังท่นก่อนที่ประรบถึงปานิยะชาดกนั้นท่านเจนว่าสิ่งที่เป็นตัวประตุน้น ให้เกิดความสำนึกทำใจสงบเจริญในภาสนาจนบรรลุมรรคผลเป็นพระเยบเป็นพระพเจ้ากับพพุทธเจ้านั้นเมื่อก็มีทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่เป็นความชั่วหรือว่าอาการของความชั่วตลอดถึงผลของความชั่ว ในทศรถชาดกเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแนวการมองปรากฏการณ์ธรรมชาติในแง่ที่เข้าถึงความจริงจะมีเรื่องก็แนวเรื่องรามเกียรติ์คือทำให้เราเห็นว่าเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยที่จริงก็คงไม่ยาวอะไร แต่ว่ามอนก็นำหลายๆเรื่องมาต่อเป็นข้าเลยกลายเป็นเรื่องยาวทศเสชาดกปรารบปฐมเหตุว่ามีกระนาบดีท่านหนึ่งเป็นอุบาสกบดีพ่อท่านตายก็เศร้าโศกเสียใจจากการที่พ่อตายท้อทิ้งการงานไม่ ไม่ทำงานไม่อาบน้ำไม่กินข้าวนะ mm hmm. ้วก็วุ่นวายออกมา mm hmm. พระเจ้าทรงทราบ mm hmm. แล้วก็ทรงเห็นบารมีธรรมของท่านพระตาก็เสด็จไปโปรดแล้วก็พูดแก้ปัญหานเหล่านี้ได้นะ mm hmm. ในตอนสุดท้ายเนี่ยท่านจะบรรลุมระผลเป็นพระยาบุคคลระดับโซดาบันได วันนั้นก็มีการนิมนต์ไปเนี่ยที่หนึ่งสเสมยจพระตานเสร็จก็รับสั่งให้พระเราอื่นนี้กลับไปทั้งหมดมก็มีพระติดตามไปองค์หนึ่งท่้นเรียกว่าปัจชาสปนักก็ไปถึงบ้านครางบดีท่านนั้นก็พระวุทธเจ้ามาเยี่ยมนะฮะก็ดีใจแล้วก็รีบ ตอนรับด้วยความกรตือรือร้นพระเจ้าก็รับสั่งถามว่าท่านเสาศกเสียใจเรื่องอะไรจึงมีหน้าตาสูขพร้อมพระก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าบิดานเป็ น, นรากของท่านเนี่ยไตายก็ท่านรู้สึกมันขาดมันมันหมดสิ้นแล้วก็ทำให้เ้าศกเสียใจ เดินทอทีงการงานไม่หาบน้ำไม่รับประทานอานหารจากจุดนี้ในท่อนนี้ท่านจะเห็นว่าลักษณะสังคมสังคมเดิมนะฮะากลมาสังคมพุทธเดิมคือระหว่างพระกับชาวบ้านเนี่ยแม้แต่องค์ศาสด า, าเองอพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ค่อยจะห่างไกลกับพุทธศาสนิกชน ก็ดูแลเป็นกัละยาณนมิตรทุุกสุการมีความเบื่อเพลิดกพนวันหนึ่งเจ็บไข้ไม่สบายก็จะมีการไปรเยี่ยมเย็นรเรื่องที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระอระหันต์ไปเยี่ยมเยียนคนป่วยเนี่ยก็มีเยอะๆเราเจออยู่บ่อยๆเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเป็น เป็นผู้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่พระเจ้านั้นก็ในฐานะของศ า, ศาสดานะครับแต่ว่าการเสด็จไปเยี่ยมเนี่ยมันก็ดูจังหวะเหมือนกันโดยนฉพาความเจ้าสุขโรนี้ที่จริงก็เกิดมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่ไปคือพระพุทธเจ้านั้นจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ จะเป็นประโยชน์แก่คนที่ปรุงไปพูดไปเยี่ยมไปสอนนั่นเองแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมมายความมาความสุขอย่างความความสุกยังเกิดขึ้นมากแล้วก็ยังไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากความโสกขไกลเกินข่ายที่จะพูดเนี่ยมันยังขาดกัปัจจัยที่จะพูดกันให้เกิดความเข้าใจยังขาดเดี๋วก็รอไปก่ เลยไมได้จังหวะพระองค์ก็เสด็จไปนั่นก็คือแนวที่เราได้เห็นว่าลักษณะของการลันอยู่ตาคือรู้จักการรู้จักความเหมาะความควรรู้จักเขต ร, รู้จกักผลรู้จักกลุ่มคนบริคนณกลุก่มคนบุคคลที่พระองค์จะ้าไปเกี่ยวข้องในกรณีนั้นๆลักษณะของพระพุทธเจ้าพระหัน เรียกรวมๆอีกคำหนึ่งนนเรียกว่าการนาวสิโกคือจะทําอะไรไปด้วยเหตุด้วยผลคืออยู่อํานาจของเหตุของผลคือถ้ายัางไม่พร้อมโดยเฉพาะคนอื่นนะฮะหมายความว่าคนที่ท่านจะไปเก็บกี่ยวเกี่ย ว, ยวข้องอยังไม่พร้อมมันก็ต้องรอตอนรอความพร้อมเป็ลนลักษณะเหล่านี้มัน มันมองไปที่ผลประโยชน์ผลประโยชน์ซึ่งคนนั้นจะได้จากการปฏิบัติธรรมแต่จุดนี้เราจึงมามองเห็นแนวความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในปัจจุบันเราก็ามีเวทีที่โต้เถียงแสดงความคิดความเห็นอยู่แยะนะครับแต่เรสังเกตลักษณะอย่างหนึ่งว่า ชาวบ้านจะบ้านที่ไปพูดในเรื่องอะไรกัตามส่วนมากมันมองตัวเองเป็นหลัก ม, มองตัวเองเป็นหลักแล้วก็ก็มีปัญหาในแนวสักคายณทิฏฐิที่พูดเนี่ยคือเราต้องต้องเอาเรื่องเอาเรื่องที่เราพูดเนีเป็นหลักเหตุผลก็พูดเหตุผลในกรีนั้นๆแล้วก็มองผลประโยชน์ส่วนใหญ่ พราะบัานไม่มีอะไรที่เราที่เราได้อย่างเดียวนะฮะหรือแม้แต่เสียอย่างเดียวมันก็ไม่มีมันก็มีได้มีเสียการกระทาทั้งหลายเนี่ยท่านมองไปที่ผลประโยชน์มันมากแต่เสียก็เสียนะฮะแต่เสียน้อยในชีวิตมันก็อยู่ได้เพราะนั้นบทเรียนอย่างที่กล่าวเราก็ดูจากลมหายใจเข้าออกก็ได้คือเราได้มากกว่าเสียเราก็อยู่ได้ เพราะนั้นการการทำงานในนี้เป็นที่จริง ม, มันคือมีแบบครูอยู่ก็คือแบบของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องรอจังหวะรอความพร้อมอะไรอย่าพอสมควรแมแ้ปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแต่บางอย่างเร็วนะฮะเราจะเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆมันให้เช่นว่าได้เรียนได้ยินพระส่งเสียงดังหรือกรคตอ้นกระโจนทีกระลาวกลางก็ปุ๊บเลย ก, ก็เสด็จไปเลย มันแสดงเงื่อนไขในมันให้ทีนี้ประการต่อไปก็คือลักษณะการไปโปรดคนของพระพุทธเจ้าคือบางทีถ้าเรื่องเรื่องใหญ่ๆนะฮะจะเสด็จลำพังโปรงเองจะคือยกตัวอย่างมาแยะในพุทธชัยมงคลคาถาน พุทธชัยมงกลคาถาแปดข้อเนี่ยพระเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์เพียงข้อเดียวแต่นั้นเองนอกจากนั้นเก็เสด็จโดยลำพังที่เสด็จไปนอกจากเขามาหานะเขามาหามันก็มีใครนั่งอยู่ด้วยมันก็คือนั่งอยด้วยเป็นการทำงานในควอนขังแปลกว่าถ้างานใหญ่เนี่ยทำโดยลำพังเราแต่ถ้างานไม่ใหญ่นะ อาจจะมีพระตามไปด้วยทีนี้การการตามไปมันก็ต้องสังเกตอีกทีหนึ่งว่าตามไปหลังอาหารนะฮะไม่ตามไปก่อนอาหารพรตามไปก่อนอาหารเนี่ยมันจะเป็นภาระแก่แกเจ้า บ, บ้านเขาก็ต้องไอตอนนี้ไปเทศไม่ใช่ไปฉันคือไปสันเนี่ยเขาต้องนิมนต์นะครับแล้วเขานิมนต์เท่าไหร่มันก็ไปเท่านั้นอันนี้คือแบบ แบบที่ถือเป็นกฎเกณฑ์นะฮะเป็นหลักในการที่สมมุติว่าเขานีน่ยบ่นพระสิบองค์เนี่ยเราจะชวนกันไปทั้งยี่สิบเนี่ยไม่ได้นะแม้คนจะนิมนต์นก็ตามเพราะว่ามันไปสร้างภาระให้แกเขาค mm ือเวลนี้บางทีเราก็ลือประเด็นนี้นะฮะลือประเด็นหลักของพระพุทธเจ้าไปนิมนต์อาจารย์ไปองค์เดียวลากลุกศี์ไปเป็นครัวเลยนะฮะเจ้าบ้านก็กระเทือนทั้งค่ารถค่าอาหารทั้งที่พักอาสากยุ่งกันไปหมดเลย อันนี้ก็คือก็คือแนวแนวหลักทีนี้ปัญหาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าที่จริงรู้พระเจ้าทางก็รู้แล้วว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ต้องรับสั่งถามนั้นคือเป็นวิธีการนหนึ่งเพื่อจะดึงจุดมาอยู่ตรงนั้นเพราะที่จริงความเศร้าโศกทางหลายปัญหาทางหลายเนี่ยปรากฏเหตุนี้ กายเป็นการผายพร้อมการปฏิเสธอาหารการหยุดการทํางานการเกี่ยวข้องกับคนอะไรต่ไ ร, ไ ร, ไรมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันเป็นเป็นผลมาจากความโศกที่เราตั้งความโศกได้วันมาจากอะไรก็มาจากความไม่รู้เห็นทำความจริงวิธีเนี้ยแทนที่จะไปสอนตรงๆเนี่ยคงถอดไม่ได้นะฮะเพิก็ต้อ ง, ต, องต้องหาวิธีที่ผ่านกรรมวิธีต่งตางๆด้วยกัน เรียกว่าเลียวรถโคดเคี้ยวกันบนรุ้งครัวนี่นะฮะจึงจึงค่อยๆปรับใจให้ค่อยๆ ย, ย, ย, ยอมรับพระเจ้าก็กรับสั่งว่าบัณฑิตในสมัยโบราณเนี่ยแม้พ่อแม่พ่อของตัวเองตายไปก็ไม่ทำใจเศร้าโศกและสามารถที่จะช่วยให้คนอื่นไม่เศร้าโศกได้ด้วยเสร็จแล้ว ขันเทือกบดีก็สนใจเรใจน้ำมันดึงความสนใจออกไปจากเรื่องโศกไปนเครับไปฟังนิทานนะกันแต่พูดเรื่องอื่นไม่ไม้ใดวกขาหาประเด็นนั้นก่อนอย่างแต่เอาประเด็นนั้นเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาครั้งเดียวก็พูดเรื่องประเด็นเดๆครับสั่งเล่าว่าในดีิการนานมาแล้วเท้าทศรถปกครองบ้านเมืองโดย ความยุติธรรมคือไม่เข้าถึงอคติสำนวนบาลีมันใช้คำว่าไม่ถึงอคติเฉยๆความปกครองบ้านเมืองโดยยุติธรรมไม่ไมไม่มีความลำเอียงเพราะรักใคร่กันเพราะไม่ชอบกันเพราะความกลัวหรือพะความหลงตึ่งแต่ว่าเป็นปนัญหาภูเขานะฮะเป็นปนัญหาใหญ่มากที่เราเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรร ม, ค ว, ม, รรมความเที่ยงธรรมก็อยู่จุดนี้ คือจุดที่เราอาจจะรู้สึกว่าลำเอียงแล้ว ก, ก็มีการต่อตา้านการเสียใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองนะเราต้องให้ความเป็นธรรมแก่เขาด้วยบางทีเราก็เรียกแต่ความเป็นธรรมเราไม่ยอมให้ความเป็นธรรมแก่คนอื่นซึงก็คงจะคงจะแก้ไขปัญหาได้ยาก อสวยราชหยุดนาะนไอการสวยราชเนี่ยมันมันมันเป็นปัญหาตัวเลขนะคืออยไปพูดตัวเลขมเลัวเลขมันค่อนข้างนานนะนะแต่ก็มีการคิดค้นกันนะฮะว่าเมื่อหลายล้านปีที่แล้วเนี่ยโลกซึ่งมันแยกมาจากดวงอาทิตย์ไม่นานเท่าไหร่เนี่ยมันคงหมุนเร็วนะฮะวั น, ว, นวันเวลามันก็ผ่านไปเร็ว ก็ทําให้อายุคนเมื่อนับตามบันเวลานั้นก็มากแต่เรายติดใจตรงนั้นเนี่ยนะแล้วทั้งก็มีราชโอรสอยู่สององค์ชื่อรามบัณฑิตกับหนึ่งลักษณะกุมารแล้วก็มีราชติดาหนึ่งองค์ชื่อซีดาเห็นว่ามันคล้ายเรื่องรามเกียรตินะ่ะคล้ายกันมากเรื่องรามเกียรตนะิดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยทำไงว่าชื่อคนนี่ยคล้ายกันมาก แล้วต่อมาเนี่ยเมื่อราชกุ ม, มารราชกุ ม, มารีทั้งสามองค์อย่างอยู่ในวัยเจริญพระชนีที่วงคตก็เป็นตำเนีย ม, มก็หามเหสีใหม่แต่ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นปัญหาทาวลในวรรณคดีโบราณนะฮะคือปัญหาเรื่องเมียน้อยกับลูกเมียหลวง พระโสมวงของพระพุทธเจ้าก็มีปัญหาเรื่องนี้พระเจ้าโอกาคาราชในเรื่องรามเกียรติ์เองนะฮะก็มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนางกายะเกษีมันก็แนวเดียวกันว่าพระเทวีใหม่เนี่ยไปสูตรพระราชโอรสให้ชื่อว่าพระรสหในรามเกียรติ์เรียกว่าพรรสนะฮะแต่ก็ใช้พอพาในนะี้ใช้พอสำเพอเราก็อ่านว่าพระรส พระราชานันดีพัทไทเป็นลักษณะความคิดอย่างหนึ่งคือคําพูดอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าสติมันขาดะนะฮะสติมันขาดเนีพูดดีใจก็ดีตกใจก็ดีโกรธก็ดีโลภ ก, ก็ดีเนี่ยสติมันจะขาดพวกนี้จะไปนึกได้ทีหลังน ะ, ะนได้ทีหลังมันก็หลวมตัวไปแยะคื อ, ค, อคือพูดพลาดทาําพลาดไป ลักษณะของกิเลสทั้งหลายนั้นเราสังเกตว่ามันทำให้ธรรมะเนี่ยมันขาดสติสัมปชัญญะเราขาดตรงนั้นถ้าหยุดคิดสักนิดหนึ่งยอบจั้งชั่งใจสักนิดหนึ่งหรือใครช่ อ, อุดปากบีบคอก็ได้คือมันมันมั น, ม, นมันจะแก้ปัญหานะเพื่อนอุดปากไว้หน่อยอย่าให้พูดตร่นั้นนะแล้วใจมันก็ค่อ ย, ค, อยค่อยเย็นลง ถึงสมมติว่าจะพูดมันก็พูดลดลงเพราะความโกรธมันมั น, ม, นมันถูกแยกสมมุติว่าโกรธเพื่อนเนี่ยไอ้ไอ้ที่คิดจะด่าคนก่อนนะมันลดลงไปคือด่าไม่ได้เหมือนเดิมน ะ, ะเพราะความโกรธถูกเพื่อนแบ่งไปจนเพื่อนปิดปากไว้ดนบีบคอไว้ยายพูดมันจะบีบไปตายนะคือคื อ, คอมหมายความายายพูดเนี่ยนั่นก็เป็นวิธีการ ะ, ะวิธีการโดยโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งคือเบียงเบน เบรดเมือ่อกระแสน้ําไหลามาเราก็เบี่ยงเบรไฟไหม้มาเราก็เบี่ยงมันไปอะไรเป็นวิธีธรรมชาติลักษณะของอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์นี้อารมณ์รักรักเด็กนะฮะแล้วก็ท้าทัศน์เองก็คงจะคงจะแก่ขึ้นนะรักลูกคนเล็ ก, กรักพระเทวีด้วยมันก็ครังพระวาจาพระราชาทานพรให้นางเลือกพรตามที่ต้องการอย่างนั่นก็นางก็ยังไม่ ไม่เลือกนะฮะแบบนางไกยเกษนะีก็ไม่เลือกพระราชาอุรสของนางประชนาอายุ 8-9 ดก้าขวบเนี่ยเกิดขอพอรขอราชสมบัติตอาทสรถกุ๊กกลิ้วมากเลยแต่แม่ั น, น เ, นะเรื่องตั้ง 8-9 เกปีแล้วนะเรื่องตั้ง 8-9 เกปีแล้วเราไม่ได้จดจารึกอะไรแต่ว่าคนสมัยนั้นเนี่ยเรื่องรักษาสัตว์เนี่ย เราก็นับถือเขานะถ้าดูวนรณคดีโบราณเนี่ยเราับถือเขาในแง่รักษาสัตว์จมามองมาขาดสัพอุริสธรรมอยู่พอสมควรคือขาดปัญญาในการให้สัตว์เนี่ยคือให้สัตว์ปฏิญาณอะไรกับใครเนี่ยอย่าพูดง่ายนะเพราะบางทีมันเรื่องมันใหญ่เกินไปเรารับไม่ได้การต้อพูดแล้วต้องรับผิดชอบได้ถ้ารับผิดชอบไม่ได้อย่าไปพูดก็ท่านั้นเอง พราะงั้นจากการสังเกตว่าถ้าทศรดในเรื่องเรามื่เกียงก็ดีนะในเรื่องนี้ก็ดีหรือแม้พระเจ้าโอกระกากราดก็ดีเนะีือท่านพูดด้วยความดีใจแล้วก็ลืมตัวคําพูดเองเนี่ยไม่ค่อยจะรัด ก, กุมนะไม่ค่อยจะรัด ก, กุมเมื่อคืนดึกแล้วในฟังคุณชวนขอสัมภาษณ์ แกพูดเก่งนะฮะแกบอกขณะนี้ยังไม่คิดปรับคณะรัฐมนตรีคือขณะนี้วินาทีเนี่ยยังไม่คิดพรุ่งนี้คิดไม่แปลกอะไรเลยคนละขนะกันไอ้ น, นั่นคื อ, ค, อคือเรียกว่าพูดคมมากเลยนะฮะเขาเรียกว่ามีลอจิกคือวิชาตรรกศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ใช้ในการพูดเด็หนักการเมืองนักปลาตญกฐานอะไรต้องศึกษาตรรกศาสตร์ ภาษศาสตร์เนี่ยมันมันจะเป็นศาสตร์ในการใช้ภาษาที่กระชับมากแล้วเราก็รับผิดชอบได้นะเพราะเราจะพูดในวงวงที่เรารับผิดชอบได้แต่เนี่ยอย่างนี้เออขอ่มกระชากกันว่าขณะคําเดียวเนี่ยฮะมันจะบ่งเวลาไว้เลยว่าขณะที่พูดน่ยนะยัยงไม่คิดจะปรับกับรัฐมนตรีพออีกนาทีต่อมานี่คิดได้แล้วนะนฮะมันก็เลย ข, นะขณะกันแล้ว ผู้เด่เก่งในเรื่นี้ราชการที่สี่เนี่ยรายการที่สนี่ท่านท่านท่านศึกษาธรรมะเยอะนี่ท่านกลัวบาปแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินนี่ต้องลงพระปรมาภิไธยในพระหลุมราชองค์การที่คณะตุลาการพิพากษาวินิจฉัยแัดสิ่งลงโทษคน น, นี่ท่านก็กลัวบาปะแต่ท่านก็ไม่จะทํำยังไงก็ต้องลงพระปรมาภิไธยแต่ท่านจะบันทึกนะรายการที่สี่นี่ทนท่านท่ า, านฉลาดมาก ให้ประหารเวลาเท่านั้นหนึ่งเวลาเท่านั้นนาทีเท่านั้นวินาทีมันยังไงมันก็ทําไม่ทันเนี่ยทําไม่ได้ลงเพียร์นัยกาสามเรือนมันก็ไม่ตรงกันแล้วมันเป็นความรู้สึกคือสบายเพราะในแง่เวลาเขาอธิบายทินนาทานนะครับทินนาทานสมมติว่าสมมุติพระกอนะฮะสมมติเราคือว่าพระนี่มันมันมันมีวินัยสองข้อที่แปลก ตีว่าทำให้ขาดแต่ความเป็นพระเนี่ยฆ่าคนกับรักทรัพย์นะฆ่าคนกับรักทรัพย์สมมติว่าชวนกันไปสะกฆารูปเนี่ยแล้วคนหนึ่งไปฆ่าตกลงไปฆ่าคนคนนี้แล้วก็ฆ่าคนเดียวนะพระเนี่ยไปฆ่าคนคนเดียวต่นเด็แต่ว่าทั้ง50รูปเนี่ยปาราชิกหมดเลยแล้วกับักทรัพย์ก็เหมือนกันหนะมายความว่าชวนกันไปสะกฆาสรูปแล้วรูปรูปเดียวลักนะแต่หมายความว่าตกลงร่วมใจกันว่าไปรักทรัพย์กันแต่ว่าคนลักจริงๆรักคนเดียว แล้วทั้งห้ิบรูปเป็นปาราชิกหมดนี่คือเหตุผลทางมิไหยก็เหมือนกับสมัยเจ้าพระฝางที่พระเจ้าตากพระพุทธเจ้าฟ้าต้องจัดการกับพวกนี้ให้สึกหมดนะครเพราะไม่ใช่พระแล้วนะฮะยกกองทัพไปฆ่าคนเนี่ยไม่ใช่พระหมดทั้งกองทัพนั่นแหละร่วมใจกันไปฆ่าคนถือว่าไม่ใช่พระหมดแล้วทั้งกองทัพแต่เป็นเรื่องช่วยชาติบ้านเมืองคือไม่ใช่เรื่องเอามาฆ่าอะไรแต่ต้องให้สึกคือเป็นพระอยู่ไม่ได้ นั่นคือวินัยปราศตอนนั้นปบาตรำเน็ตรพระองค์กล่าวท่านเราเป็นนักปราศทางศาสนาเนี่ยนะท่านก็กลัวท่านก็พูดเอาเวลาบีบข้าเวลาท่านั้นนาทีตอนั้นวินาทีเนี่ยไม่มีใครทำได้เพราะคนไม่ทําตรงท่านก็ท่านสั่งให้ข้าวินาทีก่อนไปข้าววินาทีเนี่ยอัทั้งทั้นก็รู้สึกว่าท่านไม่ต้องทําบาปคือพวกนี้ไม่ได้ทําตามใน่ท่านสั่งเป็นวิธีทําให้ตัวเองสบายใจนะฮะตัวเองสบายใจขึ้นตอนนั้น ความคงคายในเรื่องตรงนี้นะก็เป็นเป็นเรื่องเฉพาะคนนะฮะคือจะใช้จังหวะใช้โอกาสในการพูดในการสื่ออะไรให้เกิดความเข้าใจได้หรือไม่ต่แนวตรงนี้ท่านจะเห็นว่าคือใช้อารมณ์ทั้งปากพูดอะไรมันพูดไม่รัด ก, กลุ่มเนี่ยนะมันจะชี้กลุ่มก็ได้นะฮะชี้กลุ่มมาสมมติเราของมีตั้งร้อยชิ้นเน่ของร้อยชิ้นเนี่ยจะเลือกเอาอะไรเลือกเอา แต่เลือกของนอกจากตรงนี้ไม่ได้นนะรเราก็ให้พรได้ไมันจะให้ไม่ได้แต่ต้องจำกัดพื้นที่อเอาไว้พ น, นางต้องการอะไรก็ เ, รเลือกตามประสงค์นะถ้าต้องการให้เรากระโดดบอ่อตายเราก็ต้องกระโดดอ่ะมันไม่รัดกลุม่มมันพูดไม่รัดกลุม่มคือไปผลูกมัดตัวเองเอาไว้ปลูกมัดด้วยสถานชีบุกปูกมัดด้วยการเวลาผูกมัดด้วยไรเนี่ยมันอันตรายอย่าไปผูกมัด หรือจะผูกมาก็ต้องบีบคล้ายๆกันแนวที่พระเจ้าเทศเสียนแยว่าถ้ารู้พระเจ้าขึ้นอนัตตก่อนเนี่ยให้เราตั้งกต น, นะถ้าขึ้นนัตตาคนต้องบีบสิ่งที่เป็นนัตตาไว้เช่นว่าขันห้าเป็นนัตตาเนี่ยพูดได้แต่ว่าเราไปพูดทั่วไปเนี่ยมันมันมันมันไม่ได้เพราะว่าเราพูดนัตตาอะไนี่จังทุกขัน เพราะอะไรเพราะอ น, นิจจังกับทุกขังเนี่ยมันเล็กกว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันคลุมหมดเลยถึงนิพพานด้วยแต่อ น, นิจจังทุกขังเนี่ยมันไม่ถึงนิพพานมันหมายถึงสังขารทั้งหลายแต่นั่นเองเป็นจังเป็นทุกขงังแต่สังขารทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่สังขารเนี่ยเป็นอนัตตาด้วยนั้นคือคือกตรกศาสตร์นะในโลกศาสนาเป็นการพูดที่เราเรียกว่าพอยเราะมากแล้วก็กระชับระดับกล จุดนี้จุดจุดปัญหาเป็นกติเตือนใจคนว่าจะพูดอะไรจะตกตกปากรับคำอะไรนัดหมายอะไรกใครเนี่ยเข okay, มีสติสัมปัญญะอะไรกันก็อ <c ười> ย่าไปผูกมัดตัวเองมากเกินไปไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสองวันจับได้ <c ười> พูดมากไปนะสองวันเนี่ยไปรูปโจรมาอยู่ที่ไหนคือคือคือต้องพยายามนะฮะว่าจะพยายามเร่งรัดอะไรอต่ไรนี่นะก็ต้องพูดอย่าง เวเน่มีคำในภาษาภาษาที่ค่อนข้างจะแพร่หลายมากเวเนมาว่ามันพูดไปทำไมายพูดอย่างนั้นนะคิดถึงตลอดเวลาติดตามข่าวตลอดเวลาทําอะไรได้ตลอดเวลาไม่มีมนุษย์ไหนทำได้นะหายใจยังมีจังหวะหยุดเลยยังไม่ได้ทําตลอดเวลานะเราจะเห็นว่ามันมีจังหวะมีจังหวะบางทีเราก็อั้นลมหายใจไว้แสดงในขณะนั้นเราไม่ได้หายใจตลอดเวลาเนี่ยเขาไม่พูดนะ มันทําไม่ได้ไม่มีวุฒิหนุนไหนทําได้แต่ถ้าสังขารนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจริงเห็นไหมฮเราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมากน้อยเรไหมเนี่ยก็จริงนะฮอันนี้จริงเพียงแต่มากหรือน้อยแต่ส่วนว่าไอ้ติดตามเรื่อนี้ตลอดเวลาเนี่ยเราเรามีหน้าที่ติดตามเรื่องนี้อย่างเดียวไ ม, ไม่ไม่กินข้าวไม่อาบน้ําแม่ทําอะไรมานะ้างไงมันวั น, น, นเป็นไปมาเขาไม่พูดหรือคอย่างนั้นเพราะพูดแล้วจริงๆมันไม่จริง คือเรารับผชอบในสิ่งที่เราพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นท้าวทศรถตรงนี้ท่านก็ถือว่าท่านพลาดนะฮะแต่ว่าเป็นการรักษาสัจจะคนโบราในถือเรื่องสัจจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ให้นะฮะก็มาคิดว่าคือหมายความขอรัชสมบัติเมื่อท่านที่บุญคตมันไม่จะขอตรงนี้หรอกขอเป็นราชทายาท ถ้าก็มาคิดว่าการที่พระนางขออย่างเนี้ยแสดงว่าคิดไม่ใช่ธรรมดานะาอาจจะมองเห็นว่าพระโอรสพระธิดาของท่านทั้งสามเป็นอุปสรรคขวางก็ได้แล้วอาจจะวางแผนฆ่าหรืออะไรใส่ร้ายอะไรก็ได้หรือบางทีก็ยุให้เกิดผ่ามแดกแยกกันท่านเองก็ได้นะมันก็มีปัญหาเยอะอังคาดกที่วันก่อนที่เล่าที่ ระเทีวีไปเข้าหาประวรถขององค์กรของประชาชนนะแล้วก็หาว่าเจ้าชายลวนลามมาเกิดปัญหายุ่งยากกันอุตรุดนะในเรื่องในเรื่องที่ล่าถุงมาสีอ่านมันก่อนนะบุพกรรมมัติยา น, นยอันนี้ก็คือก็คื อ, คอปัญหาที่ที่ที่มันก็เกิดขึ้นได้การวิธีที่ปลอดภัยเนี่ย วิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือให้ราชโอรธราชิดาทั้งสามองค์เนี่อยอพยพไปอยู่ที่อื่นซะก่อนมีการจะอพยพเนี่ยจะทำยังไงว่าให้ลูกกลับมาเมื่อไรอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะฮะท่านเชิญโหราจารย์มาตรวจสอบดูดวงจะตานะั้นแล้วท่านน้จะตายเมื่อไรก็ปรากฏว่าโหราจารย์ทำนายว่าจะสิ้นประชนเมื่ออีกส2บสองปีข้างหน้าเนี่ยโหรกเก่งเหมือนกัน น, นะนะ แสดงวิชาโหราศาสตร์ที่ใช้มรนาเ น, นีกันระทสรถก็สั่งรามบัณฑิตลักขณะแล้วก็สีดาเนี่ยบอกว่าให้ไปอยู่ที่จริงให้ไปอยู่อีกเมือง่งนะฮะแต่ว่าท่านเหล่านี้ไม่ยอมไปเองว่าพครบอยู่สองปีแล้วให้มาเอาราชสมบัติตัวทั้งสามองค์ก็หลาลุนลา เราาโศกสีสยใจกันพอรุ่ควนนะครับตรงนี้มันมั น, ม, นมันก็เห็นอย่างหนึ่งลักษณะาทางสังคมว่าสังคมที่มีความเชื่อในเรื่องอะไรเนี่ยอิทธิพลของของของความเชื่อเนี่ยของสิ่งที่สะส ม, มอย่างแนวแนวโหราศาสตร์เนี่ยอะไรแต่นมันจะทำให้คนเขา ไปหมอยมอบไอเหตุผลอะไรแต่ไรไว้กัสิ่งเหล่านั้นคือคือคือเราจะเห็นว่าจริงๆมิในสังขามันไม่เทียงขนาดตายตัวลงไปอีกสิบสองปีตา ย, ยมันก็เก่งมากไปหน่อยแต่อย่าลืมนะฮะว่ามันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อวานเนี่ยพระลูกศรรษิษย์เ้าเป็นคริดมาก่อนน ะ, ะครับคิดมาก่อนมนก็จบ เปียนจบปริญญาศึกษาเรืาา่องศาสนาเกิสนใจศาสนาก็บวชเดี๋ยวก็ยังไม่สึกนะฮะก็ไปนั่งเล่าให้ฟังถึงพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เขาไปเห็นมาก็พิธีกรรมแบบแบบศยศาสตร์นะฮะหมายความาอาจารย์คนหนึ่งถูกโปรโมทให้เป็นอาจารย์ที่บอกหวยอีกครั้งหนึอาจารย์ตรงนี้เคลื่อนไหว ย, ยังไงเนี่ยเป็นหวยไปหมดเลยจะพูดอาจารย์ลูกศิษย์ก็ดั่งตีเป็นหวยแล้วก็แห่กันไปนะ พูดเป็นร้อยเป็นพันคนคิดเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะฮะยกนิ้วขึ้นมานิ้วเดียรเนี่ยคนคิดเป็นร้อยเป็นพันแล้วนะเพราะฉะันม่ต้องมีคนถูกจนได้วันหนึ่งก็มานิมนท์พระการาบูปไปรดมนปรากฏว่าองหนึ่งติดธุระไปไม่ได้นะก็พระไปแปดองค์ชาวบ้านบอกว่าหลวงพ่อให้หวยกรตีนะฮะตีเป็นเก้าแปดศูนหรือตีไปอะไรเนี่ยนะฮะปรากฏว่หวยมันก็ โอ้โกระตุ้นเต้นกันเป็นการใหญ่หลวงพ่อก็ขลังบอกว่าเนี่ยมั น, มนคือลักษณะของของแบบโบราณศาสตร์แบบศิษย์ศาสตร์มันจะมีลัาากษณะอย่างนี้<ม>คือหมายความว่าเจ้าตัวคนเนี่ยมันทุ่มเวลาทุ่มชีวิตไปให้กับคนเราเนี้เหมือนเหมือนกับเราปลุมอำนาจพระเจ้าอำนาเทวดาอำนาจสิ่งศักดิ์สิธ์เราจะเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ผิดเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ผิดเลย เราถูกลงโทษสมมุติเราประสบอันตรายแล้วเราก็คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นลงโทษเราก็รู้สึกว่าดีนี่ท่านเมตตาท่านไม่เอาให้ตายเห็นไหฮะเพราะเรายอมสยบ ก, กับเขาแล้วเนี่ยขนาดตายนะโอ้นี่เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการจะให้คนเราเนี่ยไปรับใช้พระผู้เป็นเจ้าเป็นบุญของเขาเนี่ยไม่ไ ม, ไม่โทษพระเจ้าลนะมันยอมสยบไม่ต้งถนัดยอมยอมสยบ ว่าในโหราศาสต์รัชศาสตร์อะเนี่ยพวกพวกไอ้ศอกเคราะอะไรแต่จะมีลักษณะอย่างนั้นอันที่เคยเล่าว่ามาไปนั่งดูพิธีก็ที่ซานฟรานนะฮะพระไปนั่งทําอันนี้เราเคยศึกษาจริงแล้วนั่งดูตลอดแล้วก็ส่วนที่เราไม่รู้เราถามนะฮะมาเองยังยังไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้ตลอดทางกระบวนการนะฮะก็ปรากฏว่าเคราะหร้ายของโยมคนนี้ยก็พระคนเนี้ยเป็นคนบอกฮนะดู ดูดวงว่าคุณเนี่ยจะเป็นเป็ น, ปนค ร, รแล้วยมคนนี้ก็ถามมาทํำยังไงก็ให้สะดอเคราะแล้วใครเป็นคนสะดอกก็พระองค์ที่ดูดวงนั่นแหละเป็นคนสะดอเคราะและ้วสะดอเคราะแล้วใครเป็นคนได้ประโยชน์ก็พระที่ดูดวงแหละเป็นคนได้ประโยชน์คือโยมนี่เสียเละเลยนะ <c oughs> <c oughs> เสียฝันเสียกำลังใจเสียเงินเสียทองเสีย ทีนี้สมมติว่าวันที่สิบเมษาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาสมมุติหลวงพอ่อทายอย่างนั้นเนี่ยนะคือหลวงพ่อนี่ได้เพิ่มมาพอถึงสมมุติว่าเกิดปัญหาขึ้นมาจริงบาดเจ็บเดือดร้อนแก้งขาหากักอะไรตัวอะไรก็ตายโอ้ดีเนดีนโยบนายท่าตมาไม่สะดวกเพราะให้วันนั้นแล้วตายแน่นชะตามันถึงคาดดีดีในสะดวกเพราะช่วยเอาไว้นะฮะทีนี้นก็ดีใจใหญ่ดูนี่เราถ้าหลวงพ่อไปช่วยดีดีนะ เข้าวลงแล้วแตนที่จะเข้าโรงยาบาลอ้าวได้แล้วหลวงพ่อได้เหละพอวันนั้นวันที่สิบไม่เกิดไม่เกิดปัญหาโอ้โหนี่เรานี่หลวงพ่อช่วยไวแ้แท้ๆแลชีวิตของเรานี่ได้กับหลวงพอ่อมอบกายตวายชีวิตเลยแต่หลวงพ่อไม่ช่วยไว้เราตายแล้วเห็นหมาอมันไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรหมายเกณฑ์ทหารเวรนี่ก็มั่งจะเกณฑ์ทหารอย่งนี้ฮสมมุติเรามาไปรับเงินเ่าจะช่วยแม่ติดทหารมันไม่มีอะไรเอามาห้าสห้าิเท่านั้นเอง มหมายความถ้าติดมาก็คือเงินให้ถ้าไม่ติดก็ได้ใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเลยนะครไม่มีอะไรเลยเขาไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วเขาไม่ต้องไปไหนด้วยนะคไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปต่ออะไรกับใครเลยเป็นการเป็นการคล้ายๆกับเล่นการพ น, นันแล้วก็เสี่ยงแต่เปอร์เซ็นต์เสี่ยงมันเพียงห้าสี่พันสิบเท่า น, นั้นคือมหมายความว่า ถ้าเขาติดทหารเราก็พูดโอ้โหพยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่เอาไม่ได้นะอะผมคืนเงินให้คุณก็แล้วกันแล้วก็เออนี่เขาก็ได้ช่วยเห็นไหมเขาก็เป็นหนี้บุญคุณเราอย่างไงเราก็ได้ช่วยเขาว่ะทีนี้ถ้าไม่ติดเราก็บอกว่าเนี่ยมผมก็พยายามเต็มที่ตอนนี้ก็ได้ผลเราได้เงินด้วยแล้วก็เขาสาทึกคุณเราด้วยเห็นไหมได้สองอย่าง ถ้าเราจ่ายเงินคืนเขาเนี่ยเราได้อย่างหนึง่งคือเขาสนับสนุนเราว่าเราเคยช่วยลูกเขาแต่เขาก็เออช่วยไม่ได้แล้ววิธีนี้ยังหา ก, กินได้อีกนานนะไมต้องหมดตราบใดที่โลกยังมีคนอยู่เนี่ยหา ก, กินได้ตลอดไปแล้วก็รวยด้วยเนยแต่ว่าอย่าลืมบาปกันแล้วกันอย่าลืมบาปกันแล้วกันคนกลัวบาปจะไม่กล้าทำนะคนกลัวบาปจะไม่กล้าทำรู้วิธีดังนั้นเน่ยทำยังไงเนี่ยนะ รู้วิธีแต่นั้นเนี่ยสามารถอธิบายได้แต่ว่าอย่าทำและกันเพราะอายุเราไม่นานเราเราก็ตายนะไอ้สิ่งที่หลอกลวงเข้าโกงคนมาบางก็อยู่ในโลกเนี้แต่ว่าบาปนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวเราที่พระเจ้าทรงชช้คำหน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกนะอย่าเสี่ยงนะอย่าไปเสี่ยงทําอย่างนั้นเลยอยู่ยังไงก็อยู่ไปเถอะคนเราก็กินถ้าที่กินนะนั่งท่าที่นั่งนอนถ้าที่นอนไม่เอาอะไรนักหนาะ แล้วลงๆ ง, ง, งกันอย่างกว้างเยอะนะะนั้นก็ไม่ต้องไปไปดิ้นรนทาบาปพวกนี้เป็นพวกดิ้นรนทาบาปก็เห็นแต่เรื่องที่ตัวเองจะได้เฉพาะหน้าแต่ไม่นึกถึงบาปที่ตัวเองจะต้องรับดังนั้นท่านเหล่านี้เราจะเห็นว่าก็แบบเนี้ยพระเมสสี องค์ใม่เนี่ยก็ตั้งใจคิดแต่ท่านจะได้นะฮะแต่ท่านไม่คิดถึงบาปกรรมความยุติธรรมความแตกแยกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในชาติอะไรแตไรไม่คิดนะฮะไม่คิดคนคนที่เห็นแก่ตัวจะคิดถึงเรื่องของตัวเองจารีประเภทนี้กำหนดธรรมเนียมอะไรแต่ไรเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหมดเลยนะฮะปฏิเสธมาได้ลักษณะของจิตที่จริงมันก็คือการสะท้อนกิเลสเออกมาจากจิตคนก็เห็นได้ชัดนะฮะ แนวชัดดกเนี่ยอย่าไปคิดเป็นอื่นนะมันเป็นการสะท้อนธรรมะจากพฤติกรรมอันนี้มีอะไรว่าการเคลื่อนไหวของคนก็คือการเคลื่อนไหวของธรรมะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นกกุศลธรรมากุศลธรรมาพยาการธรมะอย่างนี้แหละมันก็มีอยสามอย่างนี้แหละเราเรียนจากเรื่องเหล่านี้เราเห็นได้ชัดเพราะเขาทาด้วยเขาพูดด้วยนะจริงๆไม่เกิดมาจากความคิดของเขาทีนี้ถ้าเหล่านี้ก็ไปอยู่ป่าสามคนนะฮะ รามบัณฑิตลักษณะแล้วก็สีดาไอสองคนพี่น้องลักษณะกับสีดาเนี่ยก็บอกว่าเจ้าพี่เนี่ยต้องเหมือนกับบิดาเลเพราะนี่คือราชทายาทนะจริงๆก็คือราชทายาทต้องตั้งอยู่ในฐานะของบิดาเขาสองคนเนี่ยจะเหมือนกันลูกและจะเลี้ยงดูเจ้าพี่เองือจะหาผลไม้หาอะไรมาเลี้ยงดูเองไอพี่นี่ยอยู่เฉพาะที่ที่ที่ทอาสม คือไ ป, ไปไปไปอยู่เป็นอาสมในป่ากันก็อยู่กันด้วยปกติรามบดิต ก, ก็โอว่าสั่งสอนน้องนะโอว่าสั่งสอนน้องแล้วก็เป็นเพียนทางกิษไปเรื่อยๆก็ต่อมาเก้กาปีเจ้าเท่าทศรถก็ตายนี่เราจะเห็นว่าโหนถ่ายผิดนะฮะ ทีนี้ทำไมโหดเนี่ยถ่ายผิดคือว่าโขนเนี่ยไม่รู้ถึงถึงเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทียกรรมกับก็เรียกว่ารรวกรมกก ร, กากรมบีบขั้นกับกรรมตัดรอเนเราไม่ได้ดูคือคนเราเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยโขนเนี่ยมันมันจะสู้กรรมไม่ได้กรรมที่เราเห็นได้ชัดก็คือความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นจากการพลาดพลาดของลกูกและความไม่สบายประทัยที่อยู่ทับกลางความระแวงภายในวัง พระไทยบางก็ถูกถูกกัดกรอนในความรู้สึกเป็นปิยาวิปโยคคือพระภาคจากคนที่รักแล้วก็เป็นทุกจากคนที่แวดล้อมนะฮะเราไม่รู้ใครจะเป็นมิตรเป็นศัตรูก็กด ก, ก, ก็ดูยากโดยเฉพออาะยิ่งคือพระเทวีกับพระอรรถองค์เล็กนะฮะเพราะพระอรรถเนี่ยอรรถก็ยัยงเล็ ก, ก น, นะฮะตกลงว่าที่วงคตกอดที่โหรบอกไว้สาม ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะทีนี้พระเทวีก็ยึดถือคำผ่อนแต่ที่จริงแล้วในช่วงระยะเวลาอีกทั้งสาปีนะพระพทธิ์ทั้งไม่ได้พูดอะไรไว้นะฮะจะมอบหรือไม่มอบมันยังไม่ถึงเวลาพระเทวีก็จะให้พระรฤทเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่อามาตบอกว่าไม่ใช่เจ้าของราชสมบัติก็คือราบมิษฐ์คือพระพฤทธิ์นี่เขาไม่อยากได้แล้วเขาน้องก็รู้ตัวเขานะฮะเขาน้อง ก็ไม่อยากได้หรอกก็ตกงลงเขาก็อาสาเป็นทูตไปติดต่อกับพี่ชายเองไปอัญเชิญมารับราชสมบัติตพร้อมด้วยบาทเป็นอะไมากเมื่อไปถึงเนี่ยก็พบเฉพาะราบมบัณฑิตอยู่ที่อาสน์แต่ลักษณะกษีดาเนี่ยเขาไม่อยู่พระพุทธก็ไปทูลให้ราบมบัณฑิตนี่ทราบว่าท้าทศรทีิวงโคตรแรราบมบัณฑิตฟังแล้วก็เฉย ไม่แสดงความยินดียินไร่ไม่มีอะไรก็ต้อนรับแนะนำ้คนเหล่านั้นพักก่อนหรือว่เป็นห่วงอยู่ที่น้องสองคงไอ้จะคิดยังไงพวกนี้รู้ข่าวว่าพ่อตายเนี่ยมันคงมีปัญหาใหญ่เลยพอน้องมาในท่านท่านก็ทําทีเป็นลงโทษเด็นะฮะทำทีเป็นลงโทษนะว่ามาช้ากว่ากำหนดเพรา ะ, ะนั้นต้องลงโทษให้ลงไปอยู่ในสระให้ไปยืนแช่น้ำํำมายู่แช่น้ํา เพื่อเอาความเย็นเขาช่วยนะฮะความเย็นก็ช่วยบรรเทาความสศกแล้วก็ให้พระรดก็บอกข่าวพ่อที่วงคตท้องพี่น้องก็ตกใจเสียใจร้องไห้ร้องไห้จนสลบไปแต่ทีนี้ก็น้ำเย็นเนี่ยมันช่วยไว้นะควาเย็นันช่วยไว้นั่นเป็นวิธีวิธีอย่างหนึ่งในการในการแก้ปัญหาของโบราณนะฮะก็เป็นก็เป็นวิธีแก้ เราสังเกตนะฮะเป็นการพลราดจากคนที่รักเหมือนกันออตอนที่เป็นพระเวสสันดรในแก้อีกแบบนึงฮะแก้พระนางพระรีนี่แก้บ แ, กกแบบคือทําให้โกรธต้องการจะให้หายโศกแต่ทําให้โกรธสะกอดเพราะเวลาโกรธเนี่ยมันจะจิตมันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวในขณะเดียวพราะโกรธเนี่ยโศกมันจะหายนะฮะเราสังเกตดูฮะเวลาความโกรธเนี่ยความโศกมันจะหายไป จะเกิดความขัดแยนความมือดาอะไรก็ว่ามานะฮะทีนี้พวกนี้อพวกนี้ทจะยิงมันแก้ง่ายนะฮะกิเลสกิเลสสายโทสะเนี่ยมันแก้ง่ายกว่ากิเลสสายโลภะดางนั้นก็เปลี่ยนให้เป็นโกรธตรงนี้ไม่ใช่เปลี่ยนให้เป็นโกรธคือว่าเตรียมพร้อมที่จะช่วยลดความรุนแรงลดความรุนแรงของความโศกที่เกิดขึ้นจากการพ ร, พราดพลาดกับพ่อคือพ่อตายแต่ในสุดคนเหล่านี้ก็ พอเป็นปกติดีแล้วนะแกลักษณะก็ดีดาเป็นปกติแล้วพอ ร, รถก็เกิดสงสัยพี่ชายใหญ่ไม่เห็นแสดงอะไรเลยไม่แสดงความดีใจไม่แสดงความเสียใจพระพักก็เฉยวางเฉยอย่างนี้นงแกก็เกิดสงสัยว่าเจ้าพี่นี่ทำใจยังไงทำใจได้ยังไงในเมื่อขนาดรได้ข่าวพ่อตายแล้วก็เฉยเยไม่แสดงความยินดียินดาย รำลักทาก่านก็แสดงแสดงให้ฟังนะก็ทํามาทําให้เราเห็นว่าเออไอ้ไอ้คาถาอะไรคํากรอนอะไรที่ที่เราเอามาพูดกันแล้วมาแต่งเป็นคำกรอนอยู่ในในเมืองไทยเยอะแยะไปเนี่ยนะมันมันออกมาจากตรงนี้เยอะเลยเอาจากตรงนี้เป็นความคิด อ, อาจจะเราคิดตรงกับท่านก็ได้นะฮะคนบากคอาจจะไม่เคยอ่านตรงนี้ก็ได้หรือบางทีก็เราอ่านจากตรงนี้แล้วเรามาคิดเป็นคํากรอนก็ได้ หรือ่บอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะทําอะไรมันก็ต้องนึกถึงประโยชน์ที่ตัวเองจะได้จากการกระทําแต่ถ้าทําอะไรแล้วไม่ได้ประโยชน์เนี่ยบัณฑิตเขาไม่ทําเพราะการร้องไห้เพราะการพลาดพลาดมัไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่ได้เกิดเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาไม่ใช่เพราะร้องไห้แหละคนตายก็จะพื้นขึ้ น, น, นมาก็ปรับ เพบัณฑิตเขาไม่ทำกันแต่เขาจะทำเฉพาะที่ที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองที่ประการหนึ่งเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาความตายเองก็เป็นธรรมดาการรักเองก็เป็นธรรมดาเมื่อเราเผชิญหน้ากระธรรมดาแล้วเราร้องไห้เพราะปฏิเสธธรรมดามันก็ไม่ใช่เป็นวิธีการของคนฉลาด ธรรมดาตรงนี้นะฮะอย่างที่เราสวดในอภินาปัจเจกขดันความตายก็ดีการพลาดพรากก็ดีตอนนี้ก็หมายความว่ามีแต่ตายกับพลาดพราดนะครับถ้าทศรถเองก็พลาดพรากแก่กลุ่แก่กายสุบัติรามลักษ์สีดาเองก็พลาดพราดเพรานมันก็มีสองอย่างก็คือการตายกับการพลาดพราด ตั้งแก่ตั้งเก็บั้งตายแต่ตอนตอนนี้ก็ไปเจอจริงๆก็คือตายกับพราดพลาดเมื่อมันเป็นธรรมดาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาน้อให้เสียใจมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเก้ดมาเราต้องทำใจใยอมรับกติของธรรมดานะก็คือลักษณะของบันทแล้วท่านบอกว่าชีวิตของคนเรานะมันเหมือนกับขาจนะดินนะจะใหม่จะเก่าจะเล็กจะใหญ่ อาการว่แตกมันก็แตกแล้วเนือนก็คนเราที่เกิดมาไม่ใช่กําหนดวัยนั้นวัยนี้วัยนน้นจะต้องตายมันตายได้ทุกวัยเด็กก็ตายกลางคนก็ตายคนแก่ก็ตายคนเ่าจะรางก็ตายนะคนตายคนไม่ตา ย, นนยมันอย่างนี้การร้องไห้เสียใจยเพราะปรากฏควาตายเป็นเด็กมันจึงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะแม้เราเองมันก็ต้องตายเหมือนกัน อันนี้ไม่ใช่ดีใจเราะจะได้เราจะสมบัตินะฮะว่าพ่อตายก็ดีใจจะสมบัติมาแบ่งเดีมันมันเป็นการเข้าถึงธรรมดาก็เป็นบัณฑิตนะฮะพูดกันหมู่บัณฑิตในผู้ไ ด, ด้นะครับพูดในหมู่คนทั่วไปก็พูดจ่าโอ้ยนี้ใจมันชืดพ่อมันตายน้ําตาจางหยดยังไม่มีเลยปล่อยโน่นไปหายไปแล้นนะ อันนี้มันก็อยู่ที่ว่ากลุ่มไหนเขามองนะฮะกลุ่มไหนก็มองพื้นฐานในการมองไนีเป็นยังไงปราะเราดิเขาเขาเป็นคนมีบา ร, รมีนะฮะก็ตื่นเต้นเดี๋ยวว่าพี่ชายเขาทําใจได้นะเขาเองเขาทาใจไม่ได้แล้วตั้งก็แสดงการจริงในชีวิตว่าคนเราเนี่ยห้เธอดูเธอตอนเช้าพบกันตอนบ่ายก็หายไปแล้วก็ไม่เจอกันและ วันตอนบ่ายเจอกันเอาตอนเช้าหายไปเจอแล้วเป็นตอนเที่ยงเจอกันเอาตอนเย็นตายแล้วมันนี่คือชีวิตแล้วเมื่อชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยเราจะร้องให้เสียใจไปทําอะไรแต่เราจะต้องร้องให้เสียใจกับมายความต้องร้องให้กันทุกวันแล้วตั้งก็สแสดงกติธรรมดาอีกต่างๆอีกเยอะก็สรุปว่าแนวเนี้ยนะแนวของทุกข์สัตว์ตรงนี้ท่านลองสังเกตว่าเป็นการเน้นที่แนวทุกข์สัตว์ เป็นการแสดงถึงสภาวะที่เป็นมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาที่มันต้องเป็นก็มันอย่างนั้นเองเดนแในสุดก็ท่านพระรสราชกุมารก็ขอกราบทูลให้พระเจฐาถานี่ไปเป็นพระเจ้าเป็นดินส้าบอกเป็นไม่ได้นะพี่รับสัญญากับพ่อไว้ว่าอยู่ป่าสิบสองปีนี้เพิ่งใกล้เก้าปีเองนะพี่ยังไปไม่ได้ แต่ว่าคนรับปากนี่รับเฉพาะนั้นนะะรับเฉพาะรามรามบัณฑิตท่านเองคนนั้นพวกนั้นก็ติดตามมาแต่ทีนี้ก็ทํายังไงท่านก็บอกว่าก็เธอช่วยช่วยช่ว ย, ช, ว ย, ช, วยช่วยเป็นเจ้แผ่นดินนะคารพระรัตนโกมยยอมเป็นนี่ยน ะ, ะแล้วในที่สุดวก็ต้องลงให้ให้รองเทา้ากู้ก็คล้ายๆรามเกียรตินะฮะรามเกียรติก็ให้รองเท้าไป ชื่อก็เหมือนกันให้รองเท้าก็เหมือนกันแล้วก็ให้ลักษณะกระีดาตามไปก็ตกลงมาสามคนพี่น้องกลับไปรามเองก็อยู่ในป่าพวกนี้ก็ใช้รองเท้าเป็นเป็นสัญญาณอะไรก็ค่อนข้างจะหลังๆอะไรหน่อยอยู่หมาวาม่าถ้าถาสารพิภากษ า, าตัดสินวิธีใช้อะไรถูกต้องเนี่ยฮะรองเท้าจะกระทบกัน นะครับอนุมัติถ้าไม่ถูกต้องใ่รองเท้าก็จะอยู่เฉยๆก็ปกครองด้วยรองเท้ า, ม า, มานะมาสามปีเนี่ยาก็รามปีราก็จะไปตรงนี้เป็นการเชียเห็นถึงเรื่องการมองสิ่งที่เป็นคติธรรมดาร์ให้เราลองตด้งใจว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยาก ถึงที่เราอยากได้ทั้งหลายก็คือสิ่งนั้นเนี้ยสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากกันทั้งหลา ย, ยปัญหาใหญ่ในบ้านเมืองเรามันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เรียกว่ายั่วให้อยากหรือยุให้อยากคือการโฆษณาทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นการยั่วหอยากแลยก็เป็นการยุให้อยากมันเป็นวงจรที่ค่อนข้างน่ากลัว ว่าในขณะที่มีประกาศปิดป่าอะไร อ, อะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยข่าวการตัดไม้นี่เสียวหลังเลยนะมันตัดอะไรมหาศาลขนาดนั้นก็น้วยังนึกดูไอ้คนในบ้านในเมืองวันก่อนเนี่ยไปพูดบราชสันตีนั่งอยู่ด้วยคิดเราเรียนมันอัดใจจันว่าไอ้ตรงเนี้ยบ้า น, นเมืองตรงเนี้มันแต่ละตารางเมตรมีคนรับผิดชอบรู้สักกี่คนนะมันปล่อยปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงนี่แสดงให้เห็นดึวว่า คนเรามันก็ดิ้นรนไปเพราะความอยากไปเรื่อยๆที่พระพุทเจ้าทรงแสดงควาตัณหาเสื่องใสนรชนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กวาดต้อนทําลายล้างสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยจน ถ, ถึงยุคหนึ่งนี่เราก็เดือดร้อนเนี่ยนะเราก็เดือดร้อนเวลาเดือดร้อนมันก็เดือดร้อนกันมากๆ แต่จริงๆแในสิ่งเหล่านั้นเราจะกอบโกยตักตวงมากมาย ก, กายกองยังไงก็ตาดนะฮะเราก็จริงแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ต้องแตกทําลายเราดูจุดนี้เราเราจะเห็นมาจากจากเรื่องนี้พระรดเองพระเจ้าพระรดเองรักษาราชสมบัติไว้ได้ต้อต้งพลาดพไปเพราะความตายพระเทวีใหม่ที่อยากได้ราชสมบัติก็ไม่ได้ แต่ตัวเองก็อยู่เป็นทุกข์แล้วก็ถูกเปลี่ยนชังถูกระแวงแา่คนทั้งหลายพระพรสเองท่านท่านมีปัญหาอะไรนะฮะท่านไม่มีปัญหาอะไรเพระาะราท่านไม่ใช่เป็นคนอยากถ้าก็ปฏิบัติตนเป็นน้องที่ดีตลอดท่ากลางอะไรแล้วแม่ที่มีความอยากจนไม่คํานึงถึงความเป็นธรรมลูกเองก็รักษาตัวเองไว้ได้นั้นก็เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่า ในสภาพไปล้อมบางอย่างเนี่ยหรือคนที่แวดล้อมเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอิทธิพลครอบงำใจได้เสมอไปคือบางเรื่องมันอาจจะครอบงำได้นะฮะแต่บางเรื่องเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากว่าฐานใจเราแข็งฐานใจเรามีความแข้มแข็งมากพอเราก็ไม่ออนไหวไปตามเรื่อ ง, งนั้นที่ลักษณะของสังคมอารยันโบราณ ที่มันดีอย่างหนึ่งเนี่ยที่ดีมากๆเนี่ยแต่มายังมองว่าจีนอินเดียยังรักษาไว้เยอะไอ้ตรงเนี้ยนะฮะมันก่อนในไปพบตระกูลใหญ่ที่เชื่อสายจีนเขาบอกว่าคือคือตระกูลเขาเนี่ยบทบตระกูลนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐีไปแล้วคือก็บอกว่ามันมันมันมันมันมันปกครองกันแบบว่าพี่เนี่ยดูแลน้องมาตลอด แล้วก็สี่ชั่วคนแล้วก็ดูแลกันมาตลอดตล้หมายความมาน้องก็นับถือพี่รุ่นน้องก็นับถือรุ่นพี่มีสักดิ์เป็นน้องก็นับถือพี่มันมันมันจะเกาะกลุ่มกันแล้วก็เอื้อถอนห่วงใหญ่ต่อกันวนนี้จะสืบสารในกลุ่มยังไงก็ได้นะฮะอินเดียก็จะมีลักษณะอย่างนี้กันแต่มาว่าทุกวันที่จริงคนคนไทยเราส่วนนี้เมื่อก่อนก็นดีนะแต่ทุกวันพี่กับน้องทะเลาะกันอะไกันแย่งสมบัติอะไรกัน แต่แนวคนจีนนี่ยังมีอยู่เยอะ ท, ที่ที่เขาคุมเข้ามาได้อะนะมีกลุ่มเข้ามาได้พอถึงน้องถึงพี่แล้วก็จบกันนะอภัยให้ยอมสูญเสียยอมปกป้องยอมสะลระเพื่อรักษาตะกุดฟงเอาไว้อันนั้นก็คือแนวแนวโบราณเนี่ยเดิมหมายความว่าพี่ก็คือเป็นฐานใหญ่เป็นหลักใหญ่พอแม่ตายไปแล้วพี่ก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของน้องๆที่จะต้องดูแลเออถอนต่อน้องๆ แล้วก็ให้ความเป็นธรรมความเป็นธรรมแก่ น, อน้องนั่นก็คือแนวสังคมนะฮะแนวสังคมที่จะองสถาบันเล็กที่สุดคือสถาบันครอบครัวมีคนดูแลเอื้อตอนกนอารบังคับการแต่หมายความว่าน้องก็ทำตัวดีด้วยนะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าให้พี่ดูแลเพียงฝ่ายเดียวแนวนี้มายัางยั ง, ยงมองว่าสังคมไทยต่อไปในจะว้าเวนะฮะจะว้าเวจะโดดเดียว สังคมคอนโดสังคมมันี่อนะฮะต่อไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจากต่างคนต่างอยู่แล้วเราก็มองถึงว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตในแง่สังคมนะฮะในแง่อย่างอื่นเราเราเร า, เราไม่นำลึกไปครับเพราะอะไรเพราะว่าเธอจเจริญเติบโตในมือของธุรกิจนะที่เลี้ยงก็มาในธุรกิจนะหอายหลายที่รับเลี้ยงเด็กทั้งหลายเนี่ย ล้วก็เป็นธุรกิจนะฮะเป็นธุรกิจที่เขาทำงานในฐานะเป็นธุรกิจซึ่งเขามุ่งที่กำไรมุ่งที่ตัวเงินนะฮะมุงที่ตัวเงินมากกว่าที่ตัวงานแต่าการอภิบาลทารกของเราอภิบาลเด็กของเราสมัยโบราณเนี่ยมันมุ่งถึงพัฒนาการของตัวเด็กทุกคนให้ความรักความอบอุ่นมันโตในมือของปู่ย่าตายายลุงป้านหน้าหัวงสารกาาันอาญ เด็กมันก็วิ่งอยู่มันมันมันใครอุ้มมันก็ก็ก็มือญาติทั้งนั้นแหละมันมีปู่ทวดญาติทวดอยู่เป็นประมุขบ้านอย่างนี้ะครอยู่ที่บ้านาระะนั้นสังคมไทยเราใจว่าเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมตีไพ่สามเรียกเป็นคุ้มเป็นคุ้มเป็นคุ้มไม่อะไรเนี่ยนะก็เป็นหย่อมเป็นหย่อมลักษณะเกาะกลุ่มอย่างนี้จะทําให้เด็กเจริญเติบโตมามีสุขภาพจิตดี แล้วแล้วก็ทัศนคติต่อสังคมเนี่ยจะดีที่จะมองโลกในแง่ดีทีนี้สภาพอย่างนี้ออกม า, าจะมองโลกในแง่ในแง่ที่กอบกู้ไอ้กอบกวยถัดตัวผลประโยชน์นะฮะตัวเองจะได้ก็เห็นประโยชน์มันไม่ปัญหาจราจรที่จริงมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวอยู่เยอะะฮะท่านขับรถแล้วก็ดูกันแล้วกันนี่คือสภาพสังคมสังคมที่มันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ของแก้ยากนะนรับ ประการต่อไปก็คือการมองพื้นฐานในการมองสังขารทั้งหลายเนี่ยเวลากระทบความสูญเสียทำยังไงว่าให้เสียเท่าที่เสียมความว่าเสียแล้วก็เสียเท่านั้นแหละยายใจมันเสียตามไปได้ยินข่าวไหมฮะวันก่อนที่ฆ่าตายที่เมืองชนทวงหนี้ร้อยห้าิบบาทฆ่ากันตาย คือมันน่าจะเสียแค่ห้าห้าบาทก็พอแล้วทำไมเอาชีวิตไปเสียด้วยไปตามตื้อถวยคนทวงสองคนในตัวเองคนเดียวยนะทวงกันจนถึงก็ทะเลาะกันเลยก็เลิกพูดเรื่องเงินนะแล้วในตัวเองก็ถูกฆ่าหมกตินมายอมมองว่เเาเนี่จะให้เราในถ้ายอมเสียเท่าที่มันเสียได้ไหมให้มันเสียเท่านั้นนะเสร็จแล้วก็เสียไปนะ คืออย่าให้ใจมันเสียด้วยปัญหาที่คิดว่าเป็นปัญหาเราก็เป็นปัญหาเท่านั้นเองแล้วเราก็แก้ไมายก็นับถอยกันไปคื อ, อยหยเสียมากกว่านั้นอันแนวของพระรามรามลักษณรามัณฑิตนเราจะเห็นว่าท่านก็เสียเท่าที่เสียไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ท่านไม่ยอมรับว่าท่านเสียนะะแต่ว่าให้เสียเท่าที่เสียน่น ไม่ใช่ตกเอาตัวเองมาโศกมาร้องไห้ปันทอนสุขภาพตัวเองเป็นการทําแบบศัตรูที่ทําต่อตัวเรานะตกลงว่าความคิดที่มันโศกในเรื่องที่ไม่แก้ปัญหาอะไรมันก็คือตัวเองเป็นศัตรูต่อตัวเองตกลงพอครบสิบสองปีนะฮะรามบันรามบดิกก็ไปครองเมืองแต่ก็ตรงนี้แปลกตรงนี้แปลกมากเลย คือพระบรมวงศานุวงศ์เรนาขราชาการนาวิจาราษฎรคือให้แต่งงานกับนางศจีดาถึงน้องสาวแท้ๆนะฮะตรงนี้น้องสาวแท้ๆเลยพ่อเดียวแม่เดียวกันเลยนะฮะเราไม่ค่อยพบนะขนาดนี้นะขนาดว่าน้องสาวแท้ๆเนี่ยคือคื อ, คอขนาดน้องคนนะ่ะแม่คนอะไรในะมีนะฮะมีมีในวงอย่างเนี้ยในราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยเขมีมาทุกเมืองไงทุกประเทศก็มีแต่ตรงนี้แปลกน้องแท้ๆเลย แล้วกปกครองบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะก็ไม่มีอคติก็เที่ยงทำปกครองอยู่นานตี่ก็อ้างที่ก็รบกันที่อินเดียเดียโยตยาเนี่ยแต่เราจะเห็นว่ามันคงคงคนละเรื่องกันนะฮะเพราะว่ารามเอทศรสชาดกเนี่ยมันอยู่ที่เมืองพาราณสีแต่เรื่องรามันเกียรตเนี่ยอยู่ที่โอดที่อโยธยา อยุธยาก็อยู่ที่แคว้นพิหารนะฮะเมืองพาราณสีอยู่แคว้นอุตรประเทศ แ, แสดงว่าชื่อมันไปเกิดคล้ายกันลนักษณะเรื่องเนี้ยมีหลายตอนที่บือนกันแต่ไม่ยาวนะฮะเรื่องไม่ยาวอันนี้ก็เป็นชาดกุเขาเรียกว่าทศรสชาดกในตอนสุดท้ายก็สรุปว่าทศรสในครั้งนั้นก็คือมาเป็นพระเจ้าสุโธธนะในครั้งนี้ ปช น, นีไม่ปรากฏพระนามนะฮะมาเป็นพระนางศิริมามายยแล้วก็พรลนะฮะพระพหนั้นก็คือมาเป็นพระอานุลแล้วก็ลักษณะก็มาเป็นพระสารีบุตรนางสีดาก็มาเป็นพระนางเจโสธราพิมพารามดิตก็มาเป็นพระพุทธเจ้านะฮะการนี้ก็เรียกว่ากลับชาติแต่คําที่ ที่ใช้เนี่ยฮะท่านใช้ตรงตัวตรงตัวเขาเรียกว่าพูดภาษาชาวบ้านนะฮะความคนนั้นไปเกิดเป็นคนนั้นใช้คําอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ใช้ภาษาธรรมะเลยแต่จริงไม่ได้ไปทั้งคนนค่ยนะฮะไม่ได้ไปทั้งคนอ่ส่วนมากแล้วความคิดของชาวบ้านจากการสังเกตเลยมาพยายามศึกษาในเรื่องนี้ของความคิดของวฝรังความคิดเดียวกำลังคิดจีเนเกี่ยวกับการเกิดคือ เ, เราจะเห็นว่าพวกนี้มักคิดในแนวศาสนาชิน หมายความมาเกิดกี่ชาติและหน้าตาไปอย่างนี้ถึงเตี้ยหน้าตาไปอย่างนี้ถึงเตี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็หน้าตาไปอย่างนี้พอเป็นผู้ชายก็หน้าตาเหมือนกับชาวที่เป็นผู้หญิงไไ น, ๆๆนั่นแหละเอ็นอ็นอันนคือแสดงว่าความคิดนี่มันเป็นศาสตร์เจิตแต่ขอ้อความศาสนาไม่ได้บอกในขนาดนั้นนะฮะบอกว่ามันเป็นคุณภาพของจิต ท, ที่อาศัยว่ากิเลสน้อยหรือกิเลสมากนะแต่กิเลสมากก็แสดงว่าบาปมันก็มาก ทำให้คุณภาพวิญญาณตามก็เกิดในกติในพบที่ต่ำเรียกวักกตถุคติตัวการกําหนดมันก็อยู่ที่ปริมาณของกิเลสปริมาณกิเลสเนี่ยเป็นเป็นเรื่องใหญ่ถ้าปริมาณของกิเลสน้อยหมายความวิชามันเจือจางกุศลแกรรมสังขารก็จะเป็นบุญมากยิง่งขึ้นพวกนี้ก็กลายเป็นคุณภาพรวมกันก็สร้างเป็นตัวปัิจุนที่วิญญาณที่มีลักษณะเบานะฮะเบามันก็ลอยคือขึ้นบังเกิดในสุคติ ก็ขึ้นอยู่กับความประณีตในเรื่องอในเรื่องจิตใจของท่านท่านเหล่านั้นเพราะในจากจากพื้นฐานนี้ท่านจะเห็นว่าพอเรามาดูตรงสรุปชาติแล้วเราเราเห็นได้ชัดเลยว่าทําไมความคิดท่านจึงเป็นอย่างนี้ได้เป็นพวกสร้างบา ร, รมีมาท่านเหล่านี้เป็นพระยาสาวกทั้งนั้นเลยนะพระเจ้าตูโอธนะก็บรรลุอหาหัรเป็นพระหานพระนางสิริหมามายาก็เป็นพระยาบุคคลนะฮะระดับสูดับปัน ตาดีบก็เป็นพระหพระอานนท์ก็เป็นพระหาะนนานงศรีดาซึ่งต่อมาเป็นพระยโสธราพิมพาก็เป็นพระหรันรามบดีก็เป็นพระหรันคือแสดงว่าพวกสร้างบา ร, รมีมาสูงสูงเพราะฉะนั้นโล ก, กทัศนัคนเหล่านี้จึงจึงเข้าใจโลกนะเราจะเห็นว่าในแง่ธรรมะท่านก็ปฏิบัติธรรมะในแง่ของทุกข์สัตว์คืในแง่ของความตายกัารรักรักท่านก็เข้าใจ แล้วก็ใจในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ทำใจได้นะแม้ศีดากับลักษณะจะจะเร้าไปหน่อยหนึ่งแต่ก็มีวิธีที่แก้ไขได้เพราะพื้นฐานบา ร, รมีซึ่งเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าทุกคนก็มีพื้นฐานบา ร, รมีเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมะที่ค่อนข้างจะสำคัญถ้าเราเพิ่ไมไมากในปัจจุบันก็จะสร้างสารรค์ความดีได้มากยิ่งขึ้น อันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้เขาความเจริญงองามไพบูรในธรรมจะมีแต่ท่านสายชนทั้งหลายโดยทัวกันทุกท่านถือ